พระเจ้าอยากเห็นเงินจํานวนนั้นใจจะขาดอยู่แล้วใช้ฤทิเดชของท่านสิท่านสมณะอาตมาทําตามที่ท่านขอไม่ได้เสแล้วอ้าวทาไมท่านสมณะท่านบิดเพรียวใช่ไหมแกล้งข้าพระเจ้าดีใจใช่ไหมโธท่านทำกับข้าพระเจ้าได้เปล่าเลยอาตมาไม่ได้บิดพริยวหรือว่าแกล้งให้ท่านดีใจแต่เมื่อกี้นี้อาตมาได้เข้าสมาธิ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 เอาทั้งส อ, งอย่างไม่ได้อะท่านสมณนะเอาทั้งสองอย่างก็ได้ได้ใช่ไหมได้ก็เอาทั้งสองอย่างเลยแต่ก่อนอื่นท่านต้องเอาความสุขก่อนเมื่อใดท่านมีความสุขแล้วท่านจะเอาทรัพย์สักกี่สิบกี่ร้อยกดก็ได้ตกลงท่านสมณนะข้าพเจ้าจะเอาความสุขก่อนแล้วเอาทรัพย์แปดสิบกดไปหลังขอนุมทน์ท่านทําให้ข้าพเจ้ามีความสุขด้วยเอาละ่ะ อาตมาจะทำให้ท่านมีความสุขเดี่ยวนี้แต่ก่อนอื่นอาตมาถามปัญหาท่านสักสองข้อก่อนต้องถามปัญหาเยรอท่านสมณะต้องถามก่อนงั้นท่านถามมาเลยปัญหาที่ถามท่านจะต้องตอบตามความเป็นจริงอาตมาจึงให้ท่านมีความสุขมีความสุขแน่นะ่ะท่านสมณะแน่นอนอาตมารับรองว่าท่านจะมีความสุขแน่ๆในวันนี้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 รีบทำให้ข้าพเจ้ามีความสุขอย่างที่ท่านบอกข้าพเจ้าก็หาอยากจะมีความสุขเต็มที่แล้วอดี๋ยวเพิ่งใจร้อนอุบาสกรู้อย่างนี้แล้วจะให้ข้าพเจ้าใจเย็นอยู่ได้ยังไงว่าแต่ข้าพเจ้ามีความสุขแน่นักท่านมีความสุขสบายแน่ๆเอาล่ะอาตมาจะถามปัญหาแล้วนะถามมาเลยข้าพเจ้าพร้อมอยู่แล้วที่จะตอบ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 บังคับให้ท่านทำงานหนักได้รับความทุกข์เข็นปานนี้แต่ฉะไหนท่านจึงยินดีรับใช้เขาได้ความซื่อสัต์สุจริตทำไมจึงไม่กำจัดความโลภนั้นจะ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 เพียงแค่นี้ที่ท่านทําท่านก็จะได้มิตรภายในทันทีทรัพสมบทเหล่านั้นข้าพเจ้ากว่าจะได้มาแสนลาบากแล้วจะคืนให้ไปง่ายๆมันดูอะไรอยู่นะท่านสมณะนั่นมันเป็นความทุกข์เมื่อท่านแบกมันไว้ก็ตามใจชาตินี้ท่านจะไม่มีความสุขศัตรูก็จะต้องเล่นงานท่านสักวันท่านสมมณะ ข้าพระเจ้าจะปฏิบัติตามคำของท่าน ไอยู่เลยอาจจะมีการลงโทษใครให้พวกเราดูก็ได้มั้งถ้าจะมีการลงโทษคนผู้นั้นจะไม่เคยไปจากกัจจายนะเป็นแน่เลยชวฉลังทําไมต้องเป็นกัจจายนะด้วยละ่ะก็กัจจายนานะเราทำความผิดไว้นะะ่ะสิกัจจายนะทําความผิดอะไรอนะ่ะไผบาป ท, ท่านสมณนะทั้งที่นายห้ามแล้วไม่ยอมฟังเรียกมาตัดเตือนตั้งหลายครั้งแล้วก็ไม่เชื่ อ, อครั้งนี้เลยถูกลงโทษ หน้าสงสารกันเลยนะทางตอนที่เขาอออาหารส่วนตัวของเขาน่ะไปบาดแท้ๆยังถูกลงทอดเลยอะล่ะนี่ลีบไปเลยเถอะชักๆพวกเราจะพร้อยถูกลงทั่วไปด้วยเมื่อไรจะพ้นจากการเป็นทาสนาทีก็ไม่รู้ไม่ยอยาพ้นไปหน่เลยนะตายแล้วน่ะแหละเห็นจะพ้นเป็นทาสถ้ายังมีชีวิตอยู่อย่าได้หวังไปเลยก้มหน้ารับกรรมไปเถอะอะไปกันดีกว่า ทำไมอยากตัวลงฟไป มากันพร้อมแล้วใช่ไหมเ้มากันพร้อมแล้วคุลนายท่านดีล้วเรี่ประชุมทุกคนวันนี้มีเรื่องสำคัญที่จะบอกให้รู้เรื่องสำคัญอะไรนายท่านใครได้รับโทษหรือนายท่านไม่มีใครได้รับโทษต่อไปนี้จะไม่มีการลงโทษอีกแล้วเอาล่ ะ, อะขอถามหน่อยว่าเวลานี้ทุกคนเป็นท่าของเราใช่ไหมใช่ บางคนที่นาบางคนบ้านเรือน ถ, jumper, ถ, ถ, everyday, ถ, ถ again, ูกเรายึดมาใช่ไหมใช่ใช่่ทุกคนอยากได้คืนเลยโอ้ยอยากเลยแต่คงไม่มีหวังอ่ะอ้อนายท้านคงไม่ยกให้หรอกมี่แต่จะยึดเอามาน่ะในบูงบ้านเนี้ยเป็นของนายท่านหมดแล้วใช่คเป็นคนฟังทางนี้นะบัตรนี้จะมีการเปลี่ยนแปลง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 S <S ไม่ใช่เป็นการแก้พูดนะที่พูดมานี้เป็นความจรงิงท่านสามณะพูดนี้เป็นพยานยืนยันได้ขอให้ทุกคนเชื่อได้เท่าที่ท่านมันติยะพูดมานี้เป็นความจรงิงทุกคนเป็นอิสระตั้งแต่บาทนี้ าอุบาสกมันติยะท่านสมณะนิมนต์ท่านนั่งทุกอย่างเรียบร้อยแล้วใช่ไหมท่านอุบาสกเรียบร้อยแล้วทุกคนเป็นอิสระไม่ต้องเป็นทาสบ้านเรือนไร่นาะข้าพเจ้าประคืนไปแล้วท่านเองก็ปลืมมมมปล้มใจมากไม่ใช่หรอใช่ข้าพเจ้าปลื้มใจมากกับการกระทาครั้งนี้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 เวียนพักก่อนก่อนดีแม่ไม่ไม่อยากจะพักเลยใจมันร้อนอยากให้ถึงกุงหลายก็ขลุกขลุ่ยเดินทางยันคืนนอกรถก็ไม่สะดวกแล้ันดาลูกเวียนต่างก็เน็ดเลยก็ต้องเดินทางมาตลอดทั้งวันแล้วอาจจะทำให้คนนั้นพอนใจก็ได้นะลงุงเราก็ให้เงินพิเศษยกมันกี้คราเน็งเงนจะตาโตเหนืน่อยมากๆครับการ<อ>เดินทางอาจจะล่าช้าอยู่ดีเรียอว่าจะพ อ, อการหยุดพัก ดูุดพักก็ตอนนี้ไม่ต้องเสียเงินพิเศษไปดีกว่าเออเงของเจ้าฮะเอามันการหยุดพักได้เลยอ้าวหยุดเพียนลกันริมผังน้ำ จะต้องหยุดพักผ่อนตรงนี้อ้ไม่ต้องพักอยู่โดดเดียวมีพ่อค้าเกวียนมู่ใหญ่ตั้งค่ายพักอยู่ริมหนองน้ำกลางพุ่งนาอันกว้างขวางถ้าจะเดินต่อไปก็ไม่แน่ว่าจะพบหมู่บ้านข้างหน้าหรือไม่ถ้ทาที่ดีพักค้างคืนอยู่ ใ, ใกล้ๆกับกองเกวยนนี่ยนะรุ่งเช้าจะได้อาศัยบิณฑบาตจากพ่อค้าเกวยนก่อนออกเดินทางต่อไปปักปลดตใกล้ๆพุ่มไม้ ผมมองเห็นกองเกวียนได้ขนาดเดินทางจากหมู่บ้านเพระว่าขามได้สามวันก็เหน็ดเหนื่อยไม่น้อยเหมือนกันพระอาทิตย์กำลังจะลับแนวป่าอยู่แล้วเอ๊ะ <Okay. S 2> นั่นใครเดินมานั่นสองคนเป็นชายทั้งคู่คนหนึ่งอายุคงในราวห้าสิบอีกคนยังหนุ่มอายุไม่เกินยี่สิบปีเป็นแน่ทั้งสองกาลังเดินตรงมาที่เราเนี โอ้คารวะท่านอนาคาริกมีอะไรเลยอุบาสกท่านเป็นพระภิกษุในพุทธทานศาสนาใช่หรือไม่ถูกแล้วอุบาสกท่านเดินทางมาจากไหนล่ะท่านกรรมณะอาตมาเดินทางมาจากกรุงราชฤกษ์กรุงราชฤกษ์นครหลวงของมคธรัฐน่ะเหรอถูกแล้วโอ้ดูท่าทางอุบาสกทั้งสองตื่นเต้นมากใช่ ข้าพาเจ้าตื่นเป็นเกริงแทบไม่น่าเชื่อเลยว่าท่านเดินทางมาจากที่นั่นทําไมอุบาสกถึงว่าไม่น่าเชื่อเพราะว่าระยะทางไม่ใช่ไกลๆนาทีถึงไม่ใช่ไกลแต่ก็เมื่อตั้งใจเดินทางก็ต้องมาถึงที่นี่ได้จริงๆนะไม่มีอะไรที่จะพ้นไปจากความพยายามไปได้เออถ้าท่านสมณะอยู่กรุงราจะคฤหคงรู้จักพระเรวัตสินะ พระเรวัตตะไหนล่ะอ้าวที่เป็นประธานสงแห่งเวรุวรณารามไงล่ะท่านรู้จักไหมรู้จักดีมากากันกรรมณนะเออถ้าอย่างนั้นข้าพเจ้าเห็นจะต้องขอสนทนากับท่านนานหน่อยแล้วล่ะท่านอยากสนทนาอะไรเชิญตามสบายอุบาสกอัตมายินดีจะสนทนาด้วยเรื่องอันเป็นสาระกับท่านเสมอเรื่องนี้ไม่สาระแน่ถ้าเช่นนั้นเชิญ ท่านรู้จักพระเรวัตตาดีไหมคิดว่าตะมารู้จักดีแล้วที่เขาเลือกันน่ะเป็นจริงหรือเปล่าลืออะไรลือกันว่าพระเรวัตตาน่ะเก่งกาจมากนักเป็นจริงไหมเก่งกาจในทางไหนล่ะเก่งในทางโ ต, โตขารลมข้าพเจ้าได้ทราบข่าวว่าบรรดาพระราชาเจ้าศรักที่ต่างๆในเมืองราชครื โระเรวัตปราส ร, ราบข้าไป ต, ตามกันจนไม่มีใครกล้าจะปรากคารมด้วยเจงหรือไม่จัมมนะอาตมาก็ได้ทราบอย่างนั้นเอ๊ถ้ายัางงั้นก็ต้องเจงจริงนะคงจะอย่างนั้นถ้ายางงั้นขอถามต่ออี ก, กนิดนิดเถอะนะเชิญลูกบาศกถามมาเถอะอาตมาจะตอบเท่าที่รู้อ๋อแต่ขออาตมาทราบสักนิดหนึ่งก่อนท่าจนจัมมะนต้องการทราบอะไรล่ะ ท่านทั้งสองเป็นใครเราทั้งสองเป็นพ่อ้ากูเอยนกูเอยนที่หยุดพักผ่อนอยู่นั่นล่ะสิถูกแล้วกรมานะเอาละอุบาสกคล้องใจอะไรเชิญถามพระเลวัตะเถระน่ะมีอายุประมาณรักเท่าไหร่อาตมาคิดว่าคงไม่เกินสี่สิบปี แต่ดูท่าทางท่านยังหนุ่มแน่นอยู่มากรู้สึกว่าท่านสนใจพระเรวตตาเป็นพิเศษท่านมีธุระอะไรกับท่านเลย อ, อุบาสกไม่สิท่านกระมันนะไม่โดยตรงทีเดียวเรากำลังเดินทางไปกรุงราชกฤย์เพื่อจัดการกับพระภิกษุรูปนี้ละจัดการกับพระเรวตัตตาถูกแล้วทำไมท่านต้องไปจัดการกับท่านโดยละ อ, อุบาสกท่านมีเรื่องอะไรกับภิกษุรูปนั้น ไม่โดยตรงนอกท่านธรรมะแต่พรรคพวกของขะเจ้าที่มีมันเรื่องอะไรกันละ่ะอุบาสกท่านถึงได้จเจ็บแค้นสมณรูปนั้นก็เมื่อเร็วๆนี้มีนิครนคนหนึ่งเดินทางมาจากกรุงราชคกึกแกงให้เราทราบว่า พวกนิครนในประสบความปลาชัยย่อยยักแต่พระเรวัตต์นำความอับอายและความเสื่อมเสียมาสู่พวกเขาอย่างมากพวกเขาที่อยู่ทั้งกรงน่าจะคือรู้สึกขำใจมากและพยายามคิดหาอุบายที่จะกำจัดพระเรวัตะซะแต่ยังมองไม่เห็นอุบายที่เหมาะสมจะลอบทำร้ายด้วยอาวุธให้ตายก็ทำไม่ได้ทำไมถึงทำไม่ได้ล่ะอุบาสก ทำได้ยังไงผิดหลักไอหิงสาในศาสนาของเราแล้วท่านจะทำสถานใดกพปเจ้าเห็นไม่อยู่ทางเดียวในการที่จะคำจัดได้ทางใดเลยอุบาสกให้เขาลาสิกขาออกไปเป็นคาราวาจะสำเร็จเหรอเท่าที่ข้าพเจ้าทราบดูมันเขายังเป็นภิกษุภุตุชนยังมีความยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสและสัมผัสอยู่ น่าสงสัยสจริงทำไมเขาจึงกล้าเปิดเผยความลับให้พระภิกษุในพุทธศาสนาซึ่งเป็นฝ่ายเดียวกับพระเรวัตตะฝังตัวที่ไม่ได้อำพางอะไรเลยบาทีก็าอาจจะแน่ใจว่ า, าพระภิกษุพระเนจรรูปเดียวที่พบกลางทุ่งนาหากจากกรุงราชคฤห์มากมายชนิดคงทำอะไรเขาไม่ได้ละมัน ที่อาตมาทราบดูเหมือนท่านยังเป็นปุถุชนแต่ท่านเป็นปุถุชนที่มีใจหนักแน่นมั่นคงมากนะอุบาสกถึงจะหนักแน่นมั่นคงเพียงใดท่านก็ต้องลาสิกขาในคราวนี้ละท่านจะทําประการใดเรามีวิถีอันแยบยลดีที่สุดท่านจะใช้สตรีสาวสวยเป็นล่อให้ท่านลาสิกขาใช่ไหมเอ๊ท่านรู้นะอาตมาคิดว่าพอจะรู้ ใช่อยา่าที่อาตมาพูดหรือเปล่าใช่แล้วท่านกรรมณะเรา